บัณฑิจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะในส่วนของกรรมฐานนั้นที่ทรงแสดงจริงๆทรงใช้คำาภาวนาและแยกออกเป็นสมถ ภ, ภาวนากับวิปัสนาภาวนา คำว่ากรรมาฐานจึงแปลว่าเป็นการงานที่บุคคลจะต้องประพฤติกระทาในด้านจิตใจหรือปัญหาหลักจริงๆก็อยู่ที่ใจวิธีแรกก็คือการใช้ความสงบเป็นหลักที่ เ, เรียกว่าสมถะพยายามทำใจให้สงบด้วยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตัวอารมณ์ที่ตั้งสติระลึกนั้น เพียงได้มีข้อแม้ว่าให้เอาอารมณ์ที่เป็นกลางๆ ก, กับปารมณ์ที่เป็นกุศลซึ่งกิจจะไม่เบี่ยงเบนออกไปสู่กระแสของกิเลสแต่บางครั้งก็สงสอนในรูปของการพิจารณาตัวกิเลสแต่ตรงนี้จะใช้ปัญญาเป็นหลักใช้สติสมัมปญญาความเพียรเป็นหลักมากพระตาหากว่ากาลังสติ สัมจัญญาความเพียนหยอดจิตก็เบี่ยนเบ่งออกไปนอกทางทำความคุ้นเคยของจิตซึ่งเกิดขึ้นดํารงอยู่ด้วยกระแสของตัณหาอย่างที่ทรงแสดงว่าตานานั้นยังชนในเกิดขึ้นก็เราเกิดมาจากตัณหาตานาตั้งที่เป็นภายในตั้งที่เป็นภายนอก แล้วก็อยู่ท่ามกลางกระแสของอารมณ์ที่กระตุ้นเตือนให้เกิดตัญหาซึ่งส่วนใหญ่ก็จากไปทั้งๆ ท, ที่ยังมีตัญหาอยู่หลังจะตายไปแล้วก็ไปสู่พบน้อยพบใหญ่ต่างๆการปฏิบัติตระดับสมถะกรรมฐานที่จริงก็ไม่ใช่ถือกหมดัดปัญหาแต่เป็นการสงบอารมณ์ความรุนแรงของ ปิเลนั้นนั่นซึ่งเกิดขึ้นกรุงรุมใจให้อ่อนแรงลงไปใจปฏิสระต่อตัวเองสามารถคิดสามารถทถมสามารถพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีน่นี้คือเน้นที่ตัวความคิดเคือใจิตใจสงบอยู่ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานหรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมกาน อย่างน้อยที่สุดก็ให้อยู่กับกุศลธรรมลักษณะของกุศลธรรมกับอกุศลนั้นจะมีความตรงกันครับเป็นรูปของทวิภาวะคืออยู่คนละด้านกันในแง่งความเป็นจริงแล้วก็ไม่เกิดรวมกันเพียงว่าเรื่องนุขธรรมะอก็จริงมันเป็นเรื่องอกะแส ที่มีการเลื่อนไหลคล้ายกับพวกกระแสทั้งหลายนี่ไม่หยุดนิ่งแต่พอดีก็มีความต่อเนื่องกันถำให้เร า, ม, ามองคล้ายๆกับเป็นอย่างเดียวหรือว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติที่จริงกะส่งจับแนกแสดงไว้โดยนิญาต่างๆแต่ส่วนของภาวนาจะเน้นไปในการเพิ่มความดี ส่วนจะเพิ่มก็ไดข้อหนึ่งที่จริงไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าตัวสงบนั่นเองก็จะทําหน้าที่ขจัดความรู้สึกประเภทโลภะซึ่งเป็นพื้นฐานจิตของคนระดับกาม า, มาวาจรภูบอยู่ทั่วๆไปแต่พึงสังเกตว่ากิเลสประเภทนี้ที่จริงมันมาจากโมหะเมื่อกิเลสประเภทนี้สงบก็แสดงว่าตัวโมหะเองก็สงบ อีกด้านหนึ่งของความโลภอีกด้านหนึ่งของการมาราคาคือโทสะจะเราอยากได้อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้เราจะเกิดโทสะมีคนขัดขวางมีคนห้ามปลามีคนตัดรอเราจะโกรธคนและถ้าโกรธมา ก, มากๆขึ้นมาจะทาลายของที่เราอยากได้ตลอดถึงคนที่ขัดขวางการได้ของเรา จะรู้ได้เป็นการกระทําด้วยอานาจของโกรธสั่งแต่ถ้าจะถามใจดูเองว่าถ้าเราไม่โลภอยากได้สิ่งนั้นเราจะโกรธคนนั้นไหมเอ้โฮแม้เราจะอยากได้สิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครมาขัดขวาง ม, มีคนมาส่งเสริมสนับสนุนก็หยิบยื่นให้เราเราจะเกิดความโกรธไหมก็เยน็นนี่ว่า ใจจะไม่เกิดความโกรธแต่จะเกิดความโลภเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นตามลักษณะของปัญหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจที่ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมจกกัรกรปวารสูตรแล้วมือมาได้นี้ก็ได้นั้นอยากได้นั้นอยากได้นอนท์อยากได้ไปเรื่อยๆที่เรียกว่าโภโนภวิกาคือก่อให้เกิดความอยากความมีความเป็นไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดที่จะบรรจบหรือจุดจะเต็มบริบูรณ์ดับประการใดเพราะในแวดวงเหล่านี้เมื่อได้ตามความปรารถนาก็อยากเพิ่มขึ้นมาความกิเลสเพิ่มขึ้นถ้ามีการการขัดขวางตัดรอนก็จะเกิดความโกรธและทั้งปูงนั้นก็จะนำไปสู่ความทุกข์ดัประการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนก็สัมผัสกันได้ในชีวิตประจำวัน วิธีการของพระเจ้าก็คือแบบสาลายคล้ายๆกับน้ำขุนแล้วก็น้ำใสๆลงไปมันก็สามารถที่จะสลายความขุ่นค้คนหลน้านันลงไปได้จะน้อยก็ทาให้โปตกอนทั้งหลายมันตกอยู่ข้างล่างน้ำากา บ, บนก็สามารถบริโภคแค่ใส่จีน่าของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะแนวของสมถกรรมฐ า, านถึงมีวิธีการต่างๆเป็นนั้นมากโดยเฉพาะตัวอารมณ์เองก็กำหนดเอาไว้ทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมเพื่อเป็นการเสนอเลือกเอาจะเอาข้อใดก็ได้พวกนี้จริงมีลักษณะมือกันตนนนวันมีจุดบรรจกของมันอยู่ที่สมาธิจะเลือกตัวไหนก็ได้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าเดินมาถูกต้องนั้นจิตใจจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นแต่ละข้อก็ช่วยนให้คนได้บรรลุผนคือความสงบแห่งจิตใจจยยนถึงความสว่างแห่งจิตใจกันมาแล้วทท้งนั้นแต่ปัญหาใหญ่ที่พึงสังเกตว่าโลกเรานั้นถูกครอบงำด้วยปัญหาหลักล สี่ปัญหาใหญ่ด้วยกันซึ่งในจริงแล้วเป็นเรื่องของอาการกิเลสหมายความว่าไงหมายความว่าพลังของกิเลสทั้งหลายนั้นยังมีอิทธิพลเหนือจิตของคนคนถูกกระแสของกิเลสเหล่านั้นผลักไสเสือกสายให้ไปสู่อำนาจของตัวเองคนส่วนมากก็จะสูญเสียการส่งตัวในระดับต่างๆ แม้แต่ระดับสมาธิตลอดถึงระดับปัญญาแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มั่นคงแล้วเพราะก็แกวกแล้วก็เสื่อมไปได้เท่านั้นประการแรกคือจิตใจที่มีศรัทธาเรื่อมใสแต่ยังไม่มั่นคงคือเลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณของพ ร, รัตตนาไกรดแมปแต่ละที่ศาสนาอื่นก็คือไม่ตั้งมั่นในสิ่งสูงสุดในศาสนานั้นๆน ถ้าคนทํางานก็คือไม่ตั้งมั่นใน ห, หลักการและวิธีการแปรไปเรื่อยเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยสลับกันนั่นย้ายตรงนี้ทำตรงนู้นและในสุดมันจะหาข้อยุติไม่ได้เพราะลักษณะตรงนี้ที่จริงเป็นลักษณะสากลไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องศาสนาเท่านั้นถ้าหากว่าจิตใจมันมั่นคงแล้วมันก็ไปไม่ได้ ลักษณะของความศรัทธาเลื่อมใสที่ไม่มั่นคงนั้นแสดงเห็นอิทธิพลของโมหะที่มีอยู่ภายในใจคนมากอยู่ถ้าไม่ใจสายไปลักษณะที่เด่นที่ปรากฏมากก็คือสามลักษณะใหญ่ลักษณะแรกก็คือไม่เชื่อปิดประตูตายเลยถ้าพวกนี้เรียกว่าจบสิ้นกัน อยู่ในสภาพของใกล้เกลือกินด่างในสภาพของทัพีที่ไม่รู้จักรสชาติของแกงที่ตัวตงังตัวเองตักอยู่ทุกวนันกรณีปผมสังเกตว่ามันก็เป็นอยู่ตรงยุคสมัยยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุปัติคนบางคนไม่ใช่ไม่เชื่อเฉยๆแต่เมื่อเกิดพริศญาเกิดแข็งดีเกิดโทสะ เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธเจ้าเห็นคนนำาดสักการะชื่อเสียงมั่สู่พระพุทธเจ้าเห็นคนเป็นมากบารมีรถนกถักตื่พระเจ้าเกิดความริษยาเกิดแข่งดีเราจึงทราบข่าวเรื่องราวต่างๆที่คนเหล่านั้นบางคนก็ถูกตณีสู่ไปทั้งห้าคนบางบางคนจนถึงกับวิปลาดิตไปด้วยประการต่างๆเป็นนัก นั่นคือแนวของการไม่ยอมรับไม่จะไ่ยอมรับเจยเกิดโทษสะเกิดแข่งดีเกิดดิสยาแล้วก็มีการกระทำด้วยวิธีการต่างๆในระดับที่สองนั้นคือไม่เชื่อไปเลยหมายความปิดประตูขังตัวเองคนบางคนแม้จะเกี่ยวข้องพระเจ้าตลอดถึงอยู่ในพุทธสํมนักเองแต่ก็ไม่เชื่อ ในสุดก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตนใกล้ชิดตรงนั้นเช่นตัวอย่างพวกพระเทวทันเป็นต้นเพราะพระเทวทัตนั้นนอกจากไม่เชื่อบางจุดแล้วก็ยังมีอาการของโถสะมีการแข่งดีมีการศริทธิาที่แรงบางคนก็เชื่อแต่ว่าผูกข้าวโพรจิตใจไม่มั่นคงท่านพูดเหมือนกับโคมบนปลายเสาันกวกด้วย แล้วแต่ลมจะพัดไปคนระดับอุบาสกบาตริกาเองบางครั้งก็เที่ยวไปเที่ยวมาเข้าวัดบางบางทีก็เข้าอยู่ระนามที่ก็ออกไปเทศนานๆนี้ลักษณะของความไม่ต่อเนื่องมันสิ่งที่ได้ก็ไม่ต่อเนื่องแต่นองเขาก็ไม่เสียทั้งหมดเพราะว่าที่จริงแล้วก็ยังทําอยู่บ้างพระพุทธอยู่บ้าง นั่นหมายความลักษณะแหวงลักษณะของความตาเลื่มใสที่เลื่อนลอยในสมัยพระพุทธการลูกเพื่อนของธ่นานนาตบินิกะเศรษฐีเป็นร้อยๆในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันในเมืองสาวัตชีแกก็แหกัมาความเที่ยงความธรรมทุกเย็นแต่พอพระเจ้าเสด็จไปในที่อื่นแกก็แหวง กลับไปสู่ลัทธิเดิมที่ตนเคยเคารพนับถือพอพวะเจ้าเสด็จกลับมาก็มาครบปากไม่ครบปากเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นอย่างนั้นกว่าจะลงตัวได้นี่ใช่ไหมนักนัน่นคือลักษณะของความเลื่อมใสที่มาเลื่อนลอยบังแหว่งเกิดความสับสนบางทีก็ออกไปสู่ลัทธิอือ่นจิใจไม่ตั้งมัน่นในทีคุณของป ร, รัชนาใจ เราจะเหียดคุณลักษณะเหล่านี้จะมีความประนีขึ้นไปโดยลําดับในชั้นทั่วไปในชั้นระดับจากสามัญชนทั่วไปจนถึงพระโสดานัราจะเน้นที่ตัวศรัทธาไว้มากเพราะตรง น, นี้จะมีลักษณะเหมือนเด็กที่เกิดมาใหม่ๆจนถึงกว่าจะเดินได้มันต้องอิงอาศัยบุคคลอื่นอยู่ตลอดแม้แต่เดินแล้วมออันจะอาศัยการจูงของบุคคลอื่น โดยการคอยสังเกตและระมัดระวังของบุคคลกว่าจะเดินด้วยตัวเองได้มันก็ใช้เวลานั้นตัว น, นี้ก็มีลักษณะของการเกาะยิงอยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่ให้ความมั่นใจแก่เขาได้ถ้าพกเขาจะหกลมคนนั้นต้องช่วยก็ได้ก็จะเผลอปลพลาดไปคนหนั้นก็จยประก้าประคองก็ได้ เพรัพัฒนาการทางจิตใจของบุคคลที่เข้าบารักตือพระพุทธศาสนาที่จริงก็ทุกๆศาสนาก็จะมีการเน้นย้ำที่ตัวศรัทธาเพื่อให้ความศรัทธาเรื่อมใสนั้นไม่เลื่อนลอยมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวจนถึงอย่างที่เราเปล่งวาจาธรัมะเย็น มีการสวดธรรมะเย็นกันเป็นการประกาศในรูปของสัจจะปฏิญาณค้อแม่ดังสาบานตนโดยซ้ำไปว่าผู้เจ้านั้นเป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าประทับพระสุข์ข้าพเจ้าขอมอตกรายถวายชีวิตพร้อมทั้งสรีระแด่พระพุทธเจ้าประทรบพระสุฆ เป็นการแส ด, แดงถึงความศรัทธาที่มั่นคงแม้บางครั้งจะประสบอุปสรรคอันตรายวย่อยกคุกคามหรือว่า ย, วยว่อยือยนลาะโดยผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่จิตใจก็จะไม่แปรไม่สับสนไม่อ่อนไหวได้ง่ายๆจนถึงไม่อ่อนไหวเลยแต่ไม่อ่อนไหวเลยที่จริงทำได้ยากถ้าเป็นระดับสามัญชน สิ่งที่จะมีอิทธิพลมากคือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ผนสังเกตว่าล่อโดยผลประโยชน์ถ้าตัวผลประโยชน์มากมากก็แขว่งได้พวกที่มีการขบฏมีการทรยศมีการหักหลังมีการฆ่าแม้แต่คนที่มีวรรคุณต่อดนก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์พอมากเกินไปตัวเองก็สูญเสียวินัยธ ร, รมที่มีอยู่ภายในใจไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่พอใช้ในขณะนั้น แต่มันเกิดใช้ไม่ได้มีไม่พอใช้ก็คือพอใจะใช้กไม่ใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้อาการของกิเรก็เกิดขึ้นครอบงําแทนรอดโดยผลประโยชน์ต่างๆที่โบราณพูดถึงการพักดีต่อท้ายต่างดาวท่าต่างแตกแต่เราจะศึกษาถึงความเป็นมาของบุคคลเหล่านั้นเราจะพบว่าถูกลอ่อโดยผลประโยชน์ รอด้วยลาบรอด้วยยศโย์ล่อด้วยอำนาจตาแหน่งชื่อเสียงต่างๆที่จะได้คนนั้นก็พร้อมที่จะทำบางครั้งจะมีลักษณะเป็นการคม่มขู่คุกคามถ้าไม่ทําอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ้าต้องต้องทำอย่างนั้นจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าศรัทธาเราบั้นคงจริงๆก็อยู่ได้ ฉันพวกสัจยะที่ถูกกลุ่มคูจากพวกพระเจ้าวิตรุตาพระแล้วก็ยอมมันเขาฆ่าโดยไม่ยอมทําลายศีลตัวเองไม่ยอมละเมิดศีลทั้งๆที่ตัวเองก็ฆ่าพวกพระเจ้าวิตรุตาพระได้แต่ไม่ยอมทำเพราะถือว่าท่านจะถูกฆ่าหรือไม่ถูกฆ่าถ้าก็คือตายอยู่ดีก่อฆ่าไปก็ตายเร็วขึ้นหน่อยแต่ท่านก็ไม่ต้องทําบาปอะไรตายอยู่ที่ผงข้าว มจิตที่ฟ้องแล้วก็สามารถบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แต่จิตขนาดนี้ไม่ใช่จิตปกติธรรมดาต้องต้องเป็นระดับประสดาบันขึ้นไปที่ท่านแสดงคุณลักษณะของประสาบันว่าเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในไตรจริตขาทึ่หมายความว่าเส้นทางของการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะอาศัยความสงบตั้งมั่นคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหในคุณรัตน์ไรได้นั้นถ้ายกครอนไม่หวั่นไหวจริงๆไม่ว่าจะด้วยขู่คุกคามโดยล่อโ ด, ดยผลประโยชน์ด้วยจับคนที่เรารักมาเป็นตัวประกันก็ตามคนนี้จะไม่หวั่นไหวแต่เป็นถึงระดับประโสดาบัน เพราะในในตัวนี้ท่านยังเรียกว่าภาวนาคือทํามันมีขึ้นมันเป็นขึ้ น, นลักษณะของการเพิ่มพูนขึ้นซึ่งเราตัวอย่างการสะสมดินเตนิเตนิเตนิของตอบปวกของตัวปวกแต่นในสุขวิภาคเป็นจอบปวกใหญ่เป็นจอบปวดใหญ่โตมโหฬารตัวปวกตัเน็ดเดียรแล้วก็ดินกับน็ดเดียรกันมองมันก็เห็นได้ตามไป นี่ลักษณะการเก็บการสะสมต้องผ่านการระยะเวลานานแล้วก็มีความต่อเนื่องมีความรบับผิดชอบบากบันมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จใช้เวลามากน้อยเท่าไรก็ตามแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยศรัทธามันก็เพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นศรัทธาที่มีความเชื่อมั่น อย่างก็ไม่หวั่นไหวระดับที่ไม่ถูกโยกครอนแรงเกินไปซึ่งตามปกติแล้วชีวิตเราจะถูกโยกคลอนแรงๆแหมก็หาไม่เคยได้แร้ส่วนมากวันปกติธร ร, ธ ร, รมดาธรรมดานี่เองก็ลงมไปเสก่อนเรื่องไม่เป็นเรื่องอยิ่งเกิดพิษในชีวิตของคนเป็ น, นมากนั่นก็แสดงเห็นความอ่อนแอในด้า น, นจิตใจเขาที่จะตั้งท่านตั้งปัญหาถามว่าล้วจะแก้ไขยังไง จะเพิ่มพูมิศรัตฐานให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาได้ยังไงเรามองศาสนาทั้งศาสนาพระพุทธศาสนาทั้งพระพุทธศาสนานั้นที่จริงมันสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าถ้าจิตใจมันมั่นคงตรงนี้แล้วต่อไปมันก็เดินไม่ได้คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆที่เราไม่มั่นใจในถน น, นถนนเนี่จะนำพาจะนําพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้หรือไม่เรามั่นใจเราไม่กล้าเดิน เดินๆก็เดินเหยุดหเดินเหยุดแม้ถามก็ไปได้ด้วยๆพอเสียงที่ตอบออกมาปรากฏว่าทวนกันบางคนว่าถูกบางคนว่าผิดทีนี้ยิ่งไปใหญ่แลเพราจริงๆเมื่อก่อนเราก็ไม่แน่ใจอยู่แล้วว่าถูกหรือผิดเราก็ได้เชื่อ้สายถูกสายผิดเพราะงั้นจะเดินไปด้วยความวิตกกังวลมีการสอบถามต้องนิ้วไว้ภาคข้างทางอยู่บ่อยๆล้วก็เกิดอาการล่าช้าเป็นภาพรูปธรรมที่เราเห็นได้ ถ้าถามมาจากอะไรก็มาจากความไม่แ น, น, น่ใจแต่แน่ใจก็ไปเลยดันเรื่องตัวนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่การเป็นบาสุกบาสิการระดับเกณฑ์มาตรฐานนั้นก็เน้นที่ตัวศรัทธาวันพฤติกรรมทั้งหลายในทางพุทธศาสนา เ, า จ, ะเนาจะเน้นที่ตัวศรัทธาไป ม, มากเป็นลักษณะเก็บสะสมเตียเล็กเตีน้อย สาธารณพิธีทั้งหลายจะเริ่มในบทน้าโมื่อจิตใจของบุคคลน้อมระลึกหัวนนลึกยอน ล, ลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามประกาศแม้สักปุบหนึ่งสักขณะหนึ่งแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตแสดงออกพร้อมนัางกายทางวาจารณ์สัง เ, เก็บสะสมไว้ภายในจิตทิ้งแนวจบเขิ่มศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้า ต่ก็วิธีการต่างๆเป็นอันมากและสิ่งที่นำมาคิดมาพิเนมาพินต พ, พิจารณาหรือมาสวดสาทยายอะไรก็ตามดนวิธีการมากมายเนี่ยโดนใหญ่ก็อยู่ในแวดวงของพระพุทธคุณทั้งกาประการที่มีการสวดสาทยายกันจนบางคนอาศัยการสวดสาทยายต่างๆแล้วก็มีพลังความเชื่อมัน่น เกิดขึ้นตรงนี้ที่จริงเป็นสมาธิอ่อนๆแล้วเกิดเป็นรูปของของพวกครั้งๆทั้งหลายวันพวกเวทบนคถ า, าถ้าเราไปลองอ่านดูแล้วจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากมายไกลกองบางทีที่มาทําเป็นตัวโอームจึงถือว่าเป็นสุดยอดอะไรก็ตามที่เป็นหัวขณะขับบนก็เรียกวตัวโอームแต่ว่าที่จริงก็คือมาจากอาอุมา มะก็คืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุก็คืออุดมธรรมมะก็คือมหาสุ์ประสงโมใหญ่เอาแสดงว่าคนในสมัยโบราณ น, นั้นเอาจิตไปเกาะไต้ตรเนี้เปีนยบนคาถาเป็นอันมากเอาพวกอิทธิวิโส๙บทเนี่ยไปเรียงเป็นอีโส๘ทิศว่าถอยหลังว่าทะยงนซ้ายทะยันขวาเป็นตารางเพื่อฝึกสมาธิ ที่ดเดินว่าไม่ต้องเอาอะไรมากแม้แต่ท่องสูตรคูณถอยหลังนี่ก็แย่แล้วแต่โบราณเขาไม่ท่องสูตรคูณถอยหลังอย่างเดียวแต่เขาเอาอิทิพิโสที่มาถอยทั้งแปดทิศเขียนในรูปตารางสี่เหลี่ยมบ้างแปดเตียงบ้างแล้วก็มีสอ น, จนใจด้วยยังไงท่องไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปทิศเฉียงต่างๆว่าได้บทนั้นคือแนวเป็นการฝึกสมาธิ มันเกิดเป็นจิตานุภาพมันเกิดเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กลายเป็นความเชื่อในแนวที่ไปหนักไปทางไสยศาสตร์โดยเดิมมันที่จริงเป็นอาการของสมาธิเป็นพลังภายในจิตเขาที่อาศัยประวุตกิกุลซึ่งเขานํามาสวดสาธยายท่องบนให้เกิดเป็นานุภาพขึ้นมาในระดับนั้ น, น, น นแนวที่ท่านใช้มากเป็นพิเศษก็มีอยู่สีห้าระดับระดับแรกก็คือนำเอาพระพุทธคุณมาสวดมาสาธยายสาธยายกลับไปกลับมาบางครั้งว่ากะเป็นแสนแสนโบราณจะเรียกว่าสวดลักขีคือสวดแสนครั้งแต่คนปัตุบันก็ฉลาด คนสมมุติว่าหมื่นคนมาสวดแสนครั้งก็สวดสิบจบก็ได้แสนครั้งคือนับคนล้คนละจบคนละจบมีแสดงว่าเป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างนี้คือความเพียนและต้องการจะเกิดเป็นจิตตาโนภาพบางกรไม่เกิดเพราะจริงๆแล้วเวลาจิตรวมตัวไม่ทันเราสวดสิบจบลงก็นิดเดีย ในสุจิตมันก็วิ่งออกไปสู่ทางที่เขาคุ้นเคยต่อไปเพราะแนวการสวดในการสาธยายเนี่ยจึงเป็นแนวหนึ่งที่ต้องการจะดึงจิตให้อยู่กับบทสวดตัวหมายความประสาทสัมผัสของเราประสาทหลักประสาทสัมผัสหลักคือตาหูใจจะทำยังไงว่าตาหูใจแล้วตัวนี้ทีจริงก็ไม่ปากเลย แล้วความปากสาธยายใจกำหนดหูได้ยินตอนนั้นเราก็ตาดูในการสวดจริงจะใช้ประสาทสัมผัสเป็นสี่อย่างประสานกันตลอดฉะนนเราบางทีเราเป็ภาษาถ่ายต่อหน้าโต๊ะหมู่วิชาตาเราก็เพ่งไปที่รูปกระลหูเราก็ฟังเสียงถยายปากภาษาถยายใจก็กำหนดข้อความที่ภาษาถ่าย ในการรวมาสาเป็นการรวมพลังในลักษณะเหล่านี้ที่จริงเราใช้ในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเกิตาหูใจเราใช้ประสานกันตลอดต้องยืนจะเป็นตัวหนุนเช่นการทํางานการประคับประคองสู้ประมาทการประคองจิตเหมือนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ําหมดโดยอภาพตาหูใจได้ทํางานประสานกันดังนั้นเราเข้าประทำสนับสนุน ซึ่งหมายความว่าถ้าปร ะ, บะกบประคองกันไปได้ก็นำพาน้ำในบาตรที่เต็มเปี่ยมนั้นไม่หกได้แต่ถ้าเกิดพลาดในตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะตัวนี้ที่จึงมือมือเท้าเนี่ยก็มีบทบาทหลักมากมือไม่แข็งพอหรือเท้าเกิดไปสะดุดแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันและวิธีฝึกในแนวนี้จึงมีการกระทามาตลอด ตอ น, นเรียกว่าสาทยายแต่ทีนี้บางชีเนี่ยเราจะว่าอะไรไม่ได้ว่า น, นโมทสะหมุนไปหมุนมาก็ได้แต่สู้กว่าให้จิตมันมีที่เกาะเกาะเพื่อสวดเพื่อสาธยายตรงนั้นตามปกติแล้วจะใช้ในตอนต้นๆที่จิตใจของบุคคลยังสับสนอยู่ ไม่สามารถจะรวมปัะสาทสัมผัสได้อยู่ในจุดเดียวกันได้ก็ใช้วิธีการสวดสาธยายไปก่อนเมื่อมีการสวดสาธยายแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือนํำอบทบทพระพุทธคุณที่จึงบทได้ก็ได้มาภาวนาคือมาเปล่งภาวนาที่ยิงภาวนาภายในใจ ลักษณะตรงนี้เราเห็นสติสัมปชัญญะความเพียรที่มาอยู่กับบทภาวนาสติเราลิก ร, รู้อยู่ที่บทภาวนาใจเราก็หนดภาวนาไปซึ่งบางครั้งอาจจะออกเสียงบ้างหรือออกไม่ออกก็ได้ภาวนากันอยู่อย่างนี้จนดีใจสงบอยู่ในบทภาวนาแนวการภาวนาจึงเป็นแนวการผสม คล้ายๆแหลายแหล่งแข่งขันคือช่วยกันเพนที่จะใช้ระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวบางทีก็ใช้บทหรือใช้ตาเพ่งดูแล้วก็ใจก็กำหนดภาวนาไปหรือบางครั้งก็อาจจะหลับตาแล้วกำหนดภาวนาอย่างที่บทตรงนั้นยานุนพุทธโทุตโตธรมโมสังโขหรือว่าสุขโต ใจจะนัสัมมโนก็ได้แต่ใจบทไหนซึ่งจะดูสัมพันธ์กระลมหายใจก็ได้ที่จริงไม่สัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าคนละอารมณ์กันเพียงแต่ว่าถ้าไปสัมพันกระลมหายใจเข้าออกมาของก็ช่วยกันหลายแรงในภาวนาก็คือทําใจให้สงบอยู่กับบทที่เราภาวนาแล้วก็เกิดสมาธิคิดมา จะแน่ที่เราใช้ภาวนาบทพุโทโธบทสัมมาระหังหรือบทอะไรก็ตามเป็นการตั้งสติะระลึกรู้อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อจิตสงบอยู่ในบทสาธยายหรือบทบทสวดบทสาธยายบทภาวนาก็ตามอารมณ์ที่เป็นขั้ศึกต่อจิตซึ่งเคยมีอิทธิพลเหนือจิตมันก็ค่อยๆลดความรุนแรงลงไปคือทาอะไรไม่ได้ ก็ยังรู้สึกว่าใจพันโปร่งใจเบ า, ใ จ, เบาใจสละสลวยมีปีติมีประโมทเกิดขึ้นในบางระดับต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป